คราวหนึ่งกราบลาพระอาจารย์มั่นทันใดโดยวังตั้งใจไปวิเวกในไพรพงศ์ออกเดินทางไปในไพรกว้างกันสามองค์หลายวันน อ, อกทุดงในไพรพงศลงทางกลางไพรน้ำท่า ฉันจะกลืนไม่มีเหนื่อยล้าเต็มที่ไม่มีทางออกจะทำาชนไรจึงนั่งภาวนาทั้งคืนตั้งหน้าอย่างตั้งใจเห็นโยมมาดาทันใดมาชี้ทางให้ว่าไปทางนี้จึงพากันออกจากดงแล้วลงมาได้ทันใด พระธรรมช่วยไว้ถึงคืนมาได้แต่โดยดีด้วยผลแห่งบุญหมุนมาด้วยช่วยชีวีประพฤติธรรมล้ําความดีจึงได้มีนิมิตบอกทางนั่นเป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของหลวงตาที่ยกมาเล่าให้ฟังแต่เพียงน้อยนิด ส่วนมากแล้วท่านมักสาะแสวงหาสถานที่ที่น่ากลัวเสมอและไปอยู่องค์เดียวท่านบอกว่าท่านก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดที่จะได้จากการกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อันอัศจรรย์มหาศาลพอมีความรู้สึกว่าสถานที่นี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีก เพราะนั่นคืออุบายของการประพฤติปฏิบัติที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นได้อย่างกระชากแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าการสั่งสมธรรม